มันเป็นการปลูกเป็นการขย่าที่พอเพียงที่ทำให้มีสติเห็นกายตามตาราตามวิชาการกายานุปัฏฐานที่ว่ามันเพียงพอมันสมบูรณ์ในการกระทํางเพื่อจะให้มันเห็นกายเพื่อจะให้เป็น คำพูด <c oughs> หรือเป็นการกระทาไปในตัวจะบกกายยานปัชนาในจะได้เห็นกายต่อไปมันก็จะเห็นเวธนาเห็นจิตเห็นธรรมมันก็จะขี้เอาขี้เอาว่ามันมีหลักมีหลักมีจุดยืนมีที่ตั้ง มันก็จะขี้ถูกไม่ได้ขี้ผิดไม่ไดตัง้งอ่ะนี่ก็คือกายนี่ก็คือเวทนา น, นี่ก็คือกิจนี่ก็คือท ร, รมบา ท, ทีมันก็เห็นชัดลงไปว่าสัจจะว่าเสัจว่ามันก็เป็นปรมาถสภาวะธรรมแต่เห็นกายเฉยๆมันเป็นอ๋อ สมมติวัญญัติมันเป็นการตั้งไหวเฉยๆแต่มันเห็นกันไปจนสักตว่าตายนะเป็นกลธรรมถ้ามันทะลุทะล่วงไปถึงกลธาวมธรรมมันก็จะทุกอย่างมันก็จะไปถึงจุดนั้นแต่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนหรือความโลภความโกรธความหลงมันเป็นสมมุติบัญญัติ ควารับความชังความชอบใจความไม่ชอบใจมันน่ะมันเป็นสมื่นบันหยัดถ้ามันเห็นตละมาจิตจักมันก็เห็นว่ามันก็ของโกดมันก็ไม่ใช่ตัวช่นตนนั่นะมันก็ไม่หยุดอยู่แค่นั่เองถลุทะลวงไปถึงตปะมัจิเป็นเช่นั่นเอง ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่ไหนเราโง่เราหลงเราสมมุติเราบัญญัติเราไม่มีสติความมีสติมีความรู้สึกมนความระลึกได้มันก็ง่ายที่จะขทาถึงธรรมะทัสภาวัฒธรรมแต่ถ้าไม่มีสติมันก็ชนหน้าผาชนกำแพง ไปยุดอยู่กับความโกรธไปยุดอยู่กับความโลภความหลงไปยุดจูกับความรักความชังไม่ทะลุทะลวงไม่พบทางอที่นี่เราจึงต้องเจริญสติใช่เจริญสติเพราะเราจะเป็นคนคนเดียวกันแม้แต่ว่าพเราจะมามาต่างหลายชาติบ้าง หลายความคิดเห็นหลายตระกูลหลายเพศก็ตามถ้ามีสติจะเป็นหนึ่งเดียวทันทีมีการเพื่อนไว้รู้สึกหรือตรงรู้สึกเราจะเป็นเดียวกันแต่ถ้าหลงอาไรก็เป็นหลายหลายหลายหลายอย่างหลายคนหลายชีวิตหลายความเห็น อันนี้ถือว่าระดวกในการศึกษาศาสนาธรรมถ้าเราจเจริญสติเนี่ยถ้าไม่มีสติจะไม่ระดวกจะต้องกังวลเรื่องทมเรื่องพืเนีนเรื่องรูปแบบอะไรต่างๆโดยเพราะพระบวดใหม่ก็ว่าที่จะเกิดความผิดความพลาด ตองอาบัดแล้วจะเป็นบาปถูกหรือผิดหลังเลยสงสัยอยู่แต่ถ้าเรามีจิตแล้วมันก็คือมัน่นมั่นคงเราจะดูมันอยู่นี่ตอนที่มันจะผิดศีลผิ ด, ผดระเบียบยังไงมันต้องหลงก่อนหลงแล้วมันก็พูดผิดทำผิดคิดผิดมะ หรอวสะดวกนะปฏิบัติธรรมอาจจะทำบาปอาจจะไม่สะดวกกว่าการทำความดีองบาปต้องห า, าเวลาเป็นโจรเห็นสุ่ายจะไปลักไปขโมยต้องหาโอกาสเขาจะไปพ่นเขต้องหาโอกาสทำความช่วยกำเร็จต้องมีโอกาสต้องมีควอเหมาะสม แค่ท่านาำความดีเนี่ยไม่ต้องหาโอกาสทันทีเลยเป็นไม่มีการไม่มีเวลาจะไมนจะนอนจะยืนจะเดิมจะพูดจะคิดจะหยุดในสถานการณ์แบบใดก็ <c oughs> ตามของวันกลางคืนก็ตามรู้สึกได้ทันที ก็ปล hmm. อดไัยนะสามีสติปลอดไทยเจ้าขาดสติเพามีไข่การเจริญสตินี่ก็ถือว่าเป็นการประพฤติพรห ม, มจรรย์ได้ทำให้เกิดความบริสุทธิ์ไม่เปื้อนเพือนมากความบริสุทธิ์มากอารน้อยความบริสุทธิ์น้อย สัมผัสกับความรู้ลองดูแล้วก็จะสัมผัสกับความหลงมันจะต่างกันแต่ก่อนเราอาจจะหลงในเป็นไรคิดอะไรก็คิดได้ผลคิดในอารมณ์ที่คุ้นคิดไความคิดคิดไปต่างๆมาๆได้แต่พอมามีสติมมีความรู้สึกตัวร โอ้ความคิดเนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยนะทำให้ปโตเปื่อนได้พอมีจิตใจพอมันหลงคิดไปแล้วโอ้คข้าก็ว่าตกใจเร่งรีบปรับปรุงเปลี่ยนทันทีแต่ก่อนมันไม่รู้จะเปลี่ยนหรอกกลางคืนก็ว่าฝันกลางวันก็ว่าคิดๆิดไปเรพัำอย่างคิดได้คิดดี อะไรๆก็เกิดจากความคิดทั้งหมดแม้การกระทําก็ยังเอามาคิดทั้งๆที่ไม่สําเร็จต้องทํามันจะสําเร็จเล่นในความคิดกันแต่พอมามีจิตโรคกายโูค ก, กายโูค ก, กายคนละเรื่องเลยมันจะคิดจึงขี้มันได้ว่านี่จิตสักว่าจิตไม่ใช่สัตว์ทุกคนตัวตนเราเขา ตามมีสติเป็นหลักมันจะขี้ขี้คิดที่ถูกหมดแ่ะ่เราไม่ีสตินี่ที่ตั้งเล่ขี่ผิดที่ถูกได้นี่สักว่ากิจนี่สักว่ากายนี่สักวเวทนานี่สักว่าธรรมแล้วก็เห็นถ้าไม่เห็นก็จะไม่ไม่เกิดคาพูดว่านี้ เห็นเป็นผู้เห็นเห็นไม่ใช่ตาเห็นตาในคือสติปัญญาเห็นมั่นใจจนขี้ลงไปวะนี่คือกายนั่งอยู่นี่โู้อยู่นี่พอคิดขึ้นมาโู่ทันทียังไม่เปิดเพื่อนด้วยมันจะถึงตกศกเกิดติดเสื้ผาเราแล้วก็เช็ดออกทันที จะยอมให้มันมาเปิดตันั่นแหลาวีที่เช็ดมันออกมันเหกัเราเป็นเด็กมเปเด็กเนี่ยมไม่รู้จักกันเห็นที่คนลงลุยเลยกินอะไรก็เช็ดผ้าเช็ดกอนนั่งอะไรก็คอนเกนก็เช็ดคอนเกนนี่เสื้อก็ไปเช็ดเสื้อ ไม่รู้ว่าเติบโตอะไรเหมือนก ถ, ถ้าเราโตขึ้นมาเราก็รู้จักแล้วันไดก็ดีคนมีสติก็จะเหมือนกับเรามีชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่รู้สิ่งที่ไม่ดีรู้สิ่งที่ผิดที่ถูกยเพราะเรื่องจิตใจเยสำคัญกว่ากายยมายเลขหนึ่งเลยเติมไม่ได้ แต่ไปลงคิดคุ้นคิดไม่ได้ลู่อย่างเดียวลู่อย่างเดียวการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันกับการสอนคบทูดบริบูรณ์ทั้งกายทั้งใจด้วยแต่นั้นพวกเราให้เกิดจากการกระทำอย่ามัวแต่คิดเอาเหตุเอาผลเอาผิดเอาโทษ จะเพิงไปเอาผิดเอาถูกให้มันเห็นทำให้มันเห็นเอากายเป็นตำราเอาใจเป็นตำราถตาตำราอยู่ในหนังสือมันก็มีอยู่มีสาระธรรมสมบูรณ์ที่สุดคำสอนของพระพุทธเจ้ามีพระไตรปิฎกภาษาบาลีภาษาไทยอันนั้นต้องเรียนอาศัยเวลามากมาก ผมก็ไม่ได้เรียนหลักรู่น้อยเท่ากับแสนแหนห้อยพอเอาตัวรอดได้กอาชนะตัวเองได้ถือว่าปลอดภัยได้แต่ว่าเลไมากเอาตัวหลุดตัวรอดได้แล้วก็ไม่รังเลชน่งสัยนการปฏิบัติธรรมถือว่าตุง ไห้แน่นฆ่าจนพระพุทธเจ้าตัดรอยว่า7วัน7เดือน7จปีให้ไปสูตรลองดูจเจริญสติปัฏฐาน4ีายานุปจนาสติปัฏฐานเนี่ยใจฉนานุปจนากิตตานุปจนาธรมานุปจนานา7วัน7็ดเดือนเจ็ดปี นี่ก็เราก็โอ้สะดวกแล้วเราจะพูดแล้วสะดวกกว่าข้งพุทธการนะข้งพุทธเจ้านะโอ้ยลำบากกว่พวกเราพราะองค์ต้องเดินต้องพูดต้องสอนนี่พูดเดียวแล้วนี่โอ้ยเต็มบ้านเต็มเมืองพูดพูดสอน อย่างน้อยนักปราชญ์ในเมืองไทยเนี่ยเจ้าคนกุศล ธ, ธาตุเจ้าคนประยุทธ์เจ้าคนทำปีตกเนี่ยตายแต่สมัยพระพุเจ้าีเจ้าองค์เดียวทางเขาที่ไปสงสานตำราเขาที่ไปกระเบนรับคัดเนี่ยองค์นั่งเทศนาอยู่ตลอดทั้งคืน ไอ้แก่สาไอ้แก่สาไอ้แก่ทาญาตเทอต่อเติมไอ้ท่านกี่เดินลอนแรงไปเหน็ดเหนื่อยไม่่าเดินก็ปวดหลังไปขอให้พระสารีบุตรเทิชดช่วยโปรดช่ว <c> ย <oughs> อย่ร ง, งเดียว ก็การควาเป็นอดูกก็ลำบากขอพวกเราอาจจะไม่ไม่มีไฟฟ้าไม่มอีอะไรมันกับพวกเราไปไหนมาไหนต้องเดินการเดินดขึ้นรถขึ้นลาหน่อยน้อยที่สุดความเป็นอดูกก็อาจจะไม่หมันพวกเราถานนลาดยางใช้ชีพประจำวัน ลำบากของพเราเ็เราได้เปรียบพอบวชมาวันเดียวก็จัดที่อยู่แล้วมนกตินี่น้่มีมไปในห้องน้ําห้องส่วงเราก็สะดวกสะดวกเพื่อภาวนาให้เพื่อภาวนาโดยที่สวัสดิ์ของตัวเจ้าเรา ต้นหน่อยจน8ปดสิบพันชาสี่สิบห้าสี่สิบห้าพันชาอยุแปดสิบชนพันศายังเทศะนาะยัางสอนอยู่ไม่ไม่บกพร่องเลยศาสตราของเรานะไม่บกพร่องไม่มีที่กำหนิด ในคำสอนในคำที่ผิดที่ถูกไม่บกพ่องตรงไหนแต่จะอ่านดูแล้วไม่ต้องหลงเลี่งใส่หรอพขอเราคมหน้าคมตาปฏิบัติแต่อยากรู้เรื่องกบฏเจ้าต้อ ง, งตั้งต้นจากการเจริญสติเอา่น่ะเอาตรงที่พระพุทธเจ้ า, ยาตัดสรู้คืนนั่นแหละสันเป็นเดือนหกก่อนพุทธศก ตียี่ปีนะ่ะเอาวันนั้นอนะ่ะแต่ถ้าก่อนนั้นอนะ่ะจะลำบากส่งส่งปฏิบัติแบบทุกข์กิริยาทุกข์กิริยาตัวหลังตัวโดยนะ้ยอาจจะมีรอยทุกข์กิริยามาด้วยไม่กินข้าวไม่กินน้ำ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 มันตั้งต้นจากตรงนี้แหละคืนวันเป็นเดือน6แต่ก่อนเขาไม่มีตำรับตำราหรอกในแต่การกระทำงนมไปพระพุทธเจ้าของเราพอมาเจรินญจิในวันเป็นเดือน6เกิดอะไรขึ้นหลายอย่า ง, ม, งมีจริงๆริงมีร่องรอยจริงๆผมก็ไปตามดูรอยพระพุทธเจ้า ในประเทศอินเดียลอยที่มีรถฉมีอยู่โดนเชียร์วะเ่ยรังกาพม่าวะเนี <c oughs> น่าชื่นชมสมบูรณ์แบบในตำรากับในผมในประเทศไปดูแล้วก็โอ้จนผมเขียนใน วันนั้นในหนังสือประจำวันตอนนี้องไปจะไม่พูดคําว่าไม่ไหวต่เป็นการประชารถนาคําว่าไม่ไหวจะไม่พูดภึษาพวกเราหน่ยนิดหน่อยไม่มากไม่เท่าทุดฎีที่ติดฝวาพผวาดของผู้เจ้ารในเราจะมีการศึกษาที่รู้ว่างกันิดหน่อยไม่เป็น เทียบเท่ากับพระองค์พกุรเจ้าได้งาพวกเราศึกษาลองดูปฏิบัติลองดูถ้ามีสติหน่อยก็ถือว่าตามรอยกุรุจ่าแต่เราอยากรูภชีวิตจิตใจของผูุใดเราต้องทําตามผู้ท่านลองดูงั้นเราแต่อยาู้สับพ่อแม่ในเราเป็นอย่างไรเราก็ต้องเป็นพ่อเป็นแม่ลองดู ไปจากรูปครูบาอาจารย์เป็นงไงเราก็ต้องเปนครูบาอาจารย์ลองดูเราอยากรู้พระพุทธเจ้าลองศึกษาตั้งต้นจากตัวนี้ลงในความรู้สุดมีความรู้สึดเห็นเห็นดานสีดานเนี่ยแต่ขี้ไดล่ะก็ไม่ไม่ไม่จนหล่ะนี่คือกายนี่คือเวทนานี่คือจิตนี่คือธรรมแต่เมื่อมีอะไรกักขังได้ไอ้ขี้ให้ชัด ที่ให้ถูกต้งเติมเติมแล้วนะเรจะขี้ไปเรื่อยๆหรือวนะ่ามันจะสัตวะสัตวไปเรื่อยๆกรธก็สัตวะความโลภความหลงก็สัต ว, วมไม่เที่ยงความเป็นทุกข์อะไรมันก็จะลุดไปเลยหนระืง่ายแล้วเป่าขีจุดนี้ไมชัดแล้วนะมากอา่สับสน มันถะลุได้เหมือนกันนะมันแตกฉานเอาจริงๆมันแตกฉานทั้งคนเรียนวยากรก็แตกฉานภาษาก็แตกฉานภาษาแล้วก็จัดการถูกต้องถ้าวาเป็นคำพูดออามาเกียบเทียบกับสติปัญญาได้การแตกฉานในปรมัติสภาวธรรมไม่มาก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 ศีลก็ใช้ได้หละช่วยเราด้วยสมบัติสมาธิก็ใช้ได้ก็ช่วยเราได้ปัญญาเอาตัวรอดได้พ้นทุกได้นี่คือปัญญาแต่บางมักก็ทำโถกอยู่เนี่ยมักค็ดูคือเห็นอยู่เนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยมันเห็นโง่โง่จริงจริงโง่ก็เห็นมันจริงจงว่าเป็นงเห่า ไปเล่นกับมันก็ได้นี่คืองูจงอางร่างหาวิธีจับมันมันจานชวนทัพจับงูจงอางไม่ใช่งูสิงไม่ใช่งูเหลือถ้างอเหลือมกไปหยอกกับมน่ด้แ่งอางเราต้องเอาจริงจแล้วจะไหนึ่งเราเห็นอยู่เนี่ยเราก็นั่งส่้างจังหวะอยู่ในกระท่อมใป่างูเา กะแตมันไล่งูเห่ามามันไม่ไล่หรอกจำว่ามันงูเหา่าตัวนั้นอาจจะไปใกล้หลังลูกของมันแต่ว่าทั้งโคผัวกับเมียกรแตมันก็นไล่ล่องแย้แย <c oughs> ้แย้แยก็โดดกัดถังว่างงูเหาบล็อึนสู้คืนสู้โควันเตงูเาเลยไปกรตก็กรโดดกัดถังก็สั่งตัวผัวตัวม งูเห่ดนเข้าไปสู้เลื่อยมาเลื่อยมา <c oughs> เราก็เห็นมันอยู่มันเป็นูเห่าเลื่อยมามันจะเข้ามาแตะเตียงที่เรานั่งมันให้เห็นเราแล้วก็เอาไม่ฉีดกล่องไม่ฉีดทิ้งไปบอกว่าให้มันเล่าให้มันลูกว่าเราอยู่นี่เธออย่ามานี้เราทิ้งไปก็ไปถูกหัวงูเห่ากันเลย มองโชคอขึ้นมองเราแผ่พังฟ้านโคเราก็ดูกันอยู่ไม่งงเราเห็นอยู่เนี่มันกัดเราไม่ได้ตอนนั่นละ่ะถ้าเห็นนะแผ่พังฟ้านู่เราเราก็ห่ผมผ้าอยู่เป็นฤดูหนาวเรากลัวมันจะพ่นน้ำลายงงหงงมันจะพ่ น, นำลายเาเอาเอ า, เอาอผ้าห่มมาึไว้ เราก็ดูมันอยู่เาพาหมมันขึงตัวไว้กามันก็ะโดดมามันคงไม่กระโดดไว้เท่าไหร่เราก็หวังแผนเขาจงเอาผ้าผืนนี้แหละคุมหัวมันแล้วขึงผ้าไปนี่แล้วก็มั่นใจเพราะมันเห็นอยู่แล้วเดี๋ยวก็ โผล่ได้มนางผมปุ๊บหัวลงกูวิ่งเขาก็าไป่ไปเลยทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรนี่เราเห็นการเห็นกิ้นเล็กเห็นปัญหาเห็นความผิดเห็นความถูกต้องมั่นใจจนแบบนั้นแ่ะนี่อยงเดียกว่ามักว่าผลทำอย่างนี้อย่างนี้มันก็มีแต่อย่างนี้ไม่อย่างนี้มันก็มีแต่อย่างนี้ไม่มอย่างนี้มันก็ไม่มี ก็คือมรคือผลนะผมมรคคือดูคือทําอยู่ทําด้วยมือของเราเองไม่ต้องไปอ้อนไปวอนเองเราทําเองแล้วเราก็ทําได้ด้วยเห็นก็เห็นของกริงสิ่งไหนไม่เที่ยงก็ชี้ลงไปไหนก็มไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนนี่สติมันแตกฉานการเจริญสติมันแตกฉาน ในสภาวะธรรมที่มีอยู่ในชีวิตเราเห็นทีเดียวจบไปทั้งฉากเห็นเห็นลูกเห็นนามนะเป็นหลักษากคนที่สุดจะถือว่าใครชาติใดเราก็คือลูกควานามลูกความนามก็เท่านั้นแหละคืออะไรก็ลูกแล้ว ไม่ให้มันเป็นใหญ่เราจะใช้มันจะใช้ลูกจะใช้น้ำแต่เราไม่เห็นความเป็นจริงของลูกของน้ำหรอกโอ้มากสิเรศก็ทั้องตันห้าตันห้าก็ทั้งร้อยแปดมากมายแต่เราเห็นมันก็นิดเดียวมันมีจุดป่นเหมืก็เราเห็นช่างคนที่เห็นช่างเขาเห็นจุดป่อนด้วยเขาก็บังคับมันได้ หรือคนเห็นรถโยนขนาดใหญ่เขาก็บังคับมันได้คนไม่เห็นไม่รูม้มีความรู้ก็ใช่มันไม่เป็นแล้ ว, ลวใช่มันจาเร็กประโยชน์ใช้รูปเพื่อเกิดประโยชน์ใช้น้ำเพื่อเกิดประโยชน์เป็นปัญญาทางนั้นเห็นความทุกข์ก็เป็นปัญญาเห็นความโกรธก็เป็นปัญญา ไม่ได้เป็นผูดโด้โกรธเห็นมันโกรธไม่ได้เป็นผู้ทุกข์เห็นมันทุกข์ทุกบาอย่างเห็นทุกบางอย่างกําหนดรูปทุกบางอย่างละบําเท่าไปตามสภาพคํำว่าทุกข์ที่เปอุปทานไม่มีมันคือโง่ไปนั่นนะถ้าเราเห็นเนี่นี่แต่ฉลาด น, นะนะการเจริญสติเนี่ย มันแตกแขนมันโล่มันโู่แก้มันเห็นเอาก็ายามลื่นตาขึ้นโู่แล้วรู้สึกว่าอยากเพิ่ไปคิดหาทำชื่อๆไปก่อนทำไปรู่ไปเอ็กซ์มขึ้นโล่ก็ใช้ได้แล้ววางมือลงโล่แล้วทำตรงนี้แหละ เดิตนตามรอยพระพุทธเจ้าไม่ใช่รอยอยู่ที่พระบาทชะลบุรีรอยอยู่ที่คนครพ น, นมมันเป็นรอยอิดรอยปูนรอยหินรอยอรเราไม่ได้รอยจริงก็คือนี่แหละคือศีลคือสมาธิคือปัญญาเนี่ยมีจดิ่ศึกษาไปตามตายนะอันนี้ แต่ไม่ประโยชน์เกิดการทบเห็นเราก็พูดกันทุกวันทุกวันนีอะไรอย่างนี้ทักพร้อมกัน สุขีพโนสั